ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเท่าไรนักบางคนก็จิตฟุ้งซ่านอยู่เป็นยังไปบริกรรมโน้น น, นี่ไปมันก็ยิ่งไปใหญ่เรื่องมันนะอันคำบริกรรมนั้นสำหรับผู้ที่นั่งภาวนาเข้าไปมันไม่อยากคิดอะไรมีแต่จะซึมง่วง ออย่างนั้นนั้นต้องบริกรรมพุโทโธปลูกใจให้มันตื่นอยู่เสมอจึงค่อยได้ <c oughs> ถ้าพุทธิจิตฟุ้งซ่านอยู่แล้วต้องกำหนดลมหายใจเข้าออกให้นแน่วแน่พยายามตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออก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 มันจึงไม่เผลอตัวส่งจิตใจไปข้างนอกไปคิดถึงเรื่องการเรื่องงานเรื่องได้เรื่องเสียอะไรที่เป็นอดีตล่วงมาแล้วถ้าหากว่าเราไม่อธิษฐานใจลงอย่างนี้มันจะจะหวนคิดไปหาเรื่องอดีต ท, ที่ล่วงแล้วมานั่นแหละก็ทำให้ใจสงบลงไม่ได้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 มันต้องทำใจนี้ให้สงบลงเป็นหนึ่งก่อนไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นอะไรก่อนเพียงจะมุ่งให้จิตมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นอันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของการฝึกผลอบรมจิตในพระพุทธศาสาานานี้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 อยู่อย่างนั้น อ, นอจิตใจของคนเราที่ยังยิงอาศัยขันห้านี้อยู่ยังยึดมั่นถือมั่นในขันห่านี่อยู่มันก็ได้ประสบทั้งความสุขทั้งความทุกข์ผลไปกันไปอย่างนี้คลาวใดขันห้ามันเป็นปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนก็รู้สึกว่าเป็นสุขสบายไปชั่วระยะหนึ่ง ขั้นต่อไปเมื่อขันห้านี่มันแปรปรวนไปกระทบกระทั่งกับจิตอย่างแรงจิตก็ได้เสวยทุกขเวทนาอเมื่อขันห้าปกติเอาก็ได้เสวยทุกขเวทนาไปแต่แล้วผลสุดท้ายก็จะได้เสวยแต่ทุกขเวทนาในเมื่อความตายมาถึง เนี่ยลองพิสูจน์ดูความสุขที่อิงอาศัยชีวิตนี่นะมันไม่ยั่งยืนอะไรเลยจึงไม่เป็นสิ่งที่ควรนอนใจควรทําความเพียรทาง จ, จิตใจควรฝึกใจนี้ให้สงบอยู่โดยลําพังอย่าให้มันไปเกาะไปคล้องอยู่สิ่งภายนอกแล้วก็อย่าให้มันหลงไหลสําคัญว่าร่างกายอันนี้เป็นตัวตน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 ความรู้อันนี้มันก็ยิ่งขึ้นไปเจมกระจ่างขึ้นไปเรื่อยๆความรู้จริงตามเป็นจริงนี่นะแต่ก่อนมันยังรู้ไม่จริงมันยังเข้าใจผิดในธาตุสี่ขันห้าอันนี้อยู่มากมายแล้วก็ยังเข้าใจผิดต่อโลกภายนอกอีกดังนั้นเมื่อประสบกับคําสรรเสริญนินทา่าจิตใจมันถึงได้วันไหว ไ้ด้วยความยินดียินร้ายต่างๆอันซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งทุกข์ก็ไม่รู้ตัวนี่นะดังนั้นนะ <c oughs> การฝึกฝนอรมจิตนี้นะจึงชื่อว่าเป็นสิ่งจำเป็นนะสำหรับผู้ที่เบื่อทุกข์ในวัฏสงสารนี้นะจะต้อง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 ย่างเข้าสู่ประชิมมาไวแล้ว 50-60 ปีมันก็คงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตามเดิมนะนี่แสดงว่ามันค่อยเสื่อมโทร ม, มาทีละน้อยละน้อยโดยไม่รู้ตัวนะผู้ที่ไม่สังเกตให้ถี่ท่วนละ่ะความแก่ความชร า, ามันบีบคั้นร่างกายนี้ให้สุดโทรมเปลี่ยนแปลงมาทีละน้อยละน้อยไม่รู้ตัวเลยสำคัญว่า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 ให้ใจของตนมันสงบอยู่ภายในเพราะกรรมฐานที่เจริญมันก็อยู่ภายในนี่เช่นลมหายใจเข้าออกนี่มันก็อยู่ภายในนี่ทันท่าบริกรรมพุทโธอย่างนี้พุทโธก็ต้องให้อยู่ภายในจิตอย่าอย่าท่งพุทโธออกไปข้างนอกนี่วิธีที่จะทำใจให้สงบลงได้ มันก็มีอยู่แล้วนี่ตแต่ว่าคนไม่ได้เจริญเท่านั้นเองเนยไม่พอใจที่จ ะ, จะเจริญพระกรรมฐานเหล่านี้ใจก็สงบลงไม่ได้เมื่อใจสงบลงไม่ได้อย่างนั้นก็ต้องตกเป็นทาาของตัณหาตัณหามันก็จูงใจให้คิดส่งออกไปแต่ภายนอกยินดีพอใจอยู่แต่ใน รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆในโลกหรือถ้าพูดอย่างแจ้งแจ้งก็ตัณหามันก็กระชิบใจให้อยากได้เงินทองแก้วแหวนของมีค่าสารพัดในโลกนี้อยากเป็นผู้มีเกียรติมียศมีชื่อเสียงอยากให้มีคนสรรเสริญเยิ น, น, นยอให้มากมาก อยากให้มีอายุยืนยาวนานไม่อยากให้แก่เจ็บตายง่ายๆนี่ตัณหามันจะต้องจูงใจของคนผู้ที่มีใจไม่สงบ่ะให้ตกเป็นทาสของความอยาก ต, ต่างๆเหล่านี้ไม่มีที่สุดเลยเมื่อมีความอยากมากเท่าไหร่ ตรงใจให้คิดพุ่งไปภายนอกเท่าไรจิตนี้ก็ยังเป็นทุกข์อ่อนเพลียลงไปเลยอ่อนเพลียจริงเนี่ยคิดมากๆอะ่ะเพราะฉะนั้นขอให้รู้ทัว ก, กันการที่เรามาทำความเพียรไม่รู้อำนาจแก่ตัญหานี่ทวนกระแสตัญหาคือทวนกระแสแห่งความอยากเข้ามาในปัจจุบันเนี่ย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 ถ้าบุคคลไม่หัดบังคับจิตตัวเองเนะี่ยมันจะต้องอยากไปทั้งทางดีและทางชั่วอเจอทางชั่วมันก็อยากได้ชั่วไปเจอทางดีก็อยากดีไปมันไม่แน่นอนเลยแะมันเป็นอย่างนั้นเอนี้ผู้ใดมาบังคับจิตของตนให้สงบลงได้แล้อย่างนี้มันก็จะเลือกอยากนะบ้านี้นะอะความอยากอันใดที่มัน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 มันเป็นอย่างนี้คนลอยที่ว่าตกเป็นทาสของตันหานะ่ะมันตกเป็นทาสตันหามันจูงใจให้อยากได้สิ่งที่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ไปตามมันอย่างนี้นะมันมันไม่สามารถจะยับยั้งใจจากความอยากอันนั้นได้นี่เรียกว่าใจไม่ได้อบรมอ่ะพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าตันหามันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์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 อยากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพื่อให้รู้ความจริงของชีวิตนี้ตามความเป็นจริงนี่ความอยากอย่างนี้นนะว่าเป็นความอยากชั้นสูงและชั้นดีอ่าใครใครก็มีความอยากอย่างนี้เหมือนกันหมดสำหรับท่านที่พ้นทุกภัยไปแล้วมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์ก็อาศัยความอยาก อันเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นดังกล่าวมานี่แหละเป็นเครื่องดําเนินชีวิตมาในสงสารสร้างพระบารมีมาแม้พระสาวกบริษัทที่ติดสอยห้อยตามพระองค์มาก็เหมือนกันอาศัยความอยากดังกล่าวมานี้เองนะแต่ความอยากเช่นนะี้มันต้องผ่านการฝึกจิตใจให้สงบมาก่อนบังคับจิตใจ เมื่อตัญหาชนิดที่มันอยากไปในทางบาปกรรมมากระชิบจิตใจใจที่มีปัญญามันก็ไม่ไปตามความอยากนั้นตัญหามันอยากให้ฆ่าสัตว์อยากให้ลักทรัพย์อยากให้ประพฤติผิดในกามอยากให้กล่าว มุสาวาดพูดเท็จพูดซอเทียดหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจผิดไปต่างๆนี่นะตัณหามันอยากดื่มเหล้าสุราเมรยัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆหมนี่ตัณหาหมนี่มันจะครอบงมจิตใจของบุคคลผู้ฝึกฝนใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปนี่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 ถ้าไปลาตัณหาความอยากดังกล่าวมานี้ก็ไม่ต้องกินอะไระเข้าใจไปอย่างนั้นนะก็จะต้องทุกข์ยากลำบากแน่นอนทีเดียวนั่นเป็นความเข้าใจผิดถนัดเลยเข้าใจอย่างนั้นผู้ใดเว้นความอยากดังกล่าวมานี้ได้ผู้นั้นละ่ะยิ่งจะเจริญลุ่งเรืองด้วยหลาบยศสนเสริญ ความสุขกายสบายใจทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าแน่นอนเลยทีเดียวอะ่ะเพราะว่าเมื่อบุคคลไม่เบียดเบียนชีวิตของบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้นะมันก็ไม่มีคำเวณตามสนองเกิดไปชาติหน้าก็มีอายุยืนยาวนานอ่า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 นี่ก็ด้วยอานิสงส์ที่ในปัจจุบันนี้ผู้นั้นไม่ไปเบียดเบียนเอาทรัพสมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนในทางทุจริตตนแสเวงหาได้มากน้อยเท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นอานิสงส์เหล่านี้แหละมันติดตามไปอืมอาํานวยผลให้หรือว่าติดตามไปรักษาทรัพสมบัติของบุคคลผู้นั้นไว้ ไม่ให้สูญเสียไปโดยทางที่ไม่ควรจะเสียมีผัวมีเมียมาอย่างนี้ผัวเมียก็ซื่อสัตย์สุจริตต่อกันในเมื่อได้เว้นได้สำรวมในสินข้อนี้นะอ่านั่นแหละก็ไม่คิดคดเล่นชู้จากผัวเล่นชู้จากเมียอ่าก็จะอยู่เย็นเป็นถูกสบาย ถ้ า, าว่ายังละตัญหาประเภทเหล่านี้ไม่ได้ก็ยังมีคู่ครองสองประการอยู่ก็จะเป็นไปโดยความราบรื่นไม่ได้แตกแยกสามัคคีกันเลยแม้ได้ลูกได้เต้ามาก็เหมือนกันลูกเต้าเกาะไม่โลเลประพฤติผิดในกาล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 พูดไปแล้วทำให้คนอื่นทะเลาะวิวาทกันก็ไม่พูดอย่างนี้แหละการกล่าววาจาดีงามนี่มันก็เกี่ยวกับการฝึกเนะเกี่ยวกับสติสมัมปชัญญะด้วยบางคนนะ่ะสติอ่อนแอเหลวไหลเมื่อจะพูดอะไรออกไปก็ระลึกไม่ได้พูดไปตามน้าของกิเลส มันก็มักจะเป็นคำพูดที่ผิดพลาดไปเรื่อยๆไปกระทบกระทั่งผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ทันได้คิดให้ละเอียดถี่ถ้วนอะไรแล้วก็พูดออกไปเลยอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้พากันสำรวมระวังการกล่าววาจานี้ให้มากมากเลยทีเดียวเพราะวาจานี้เป็นเอกเลขเป็นโทรหนังสือเป็นตรีนี่พูดถึงคุณค่าของวาจานี่ นักปราชญ์ท่านยกให้เป็นเอกเลยวรเดียวนี่เป็นเอกในที่นี้ถ้าว่าพูดชั่วอย่างนี้มันก็เป็นเอกไปในทางชั่วนะถ้าพูดดีก็เป็นเอกไปในทางดีถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่คำโครงท่านกล่าวไว้อย่าไปเข้าใจว่าไม่สำคัญเนออการ วาจาคำพูดนี่นะสำคัญมากทีเดียวเพราะมันสอออกมาจากโรงจิตตู้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตหล่อแหละเลวไหลแล้วแน่นอนแล้วาจาก็เหลวไหลพูดออกไปไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นประโยชน์มกักจะเป็นแต่โทษบางคนเรียก ว, ว่าเมื่อมันขาดสติสมัติช ญ, ญาตแล้วตนพูดผิด ออกไปแล้วไม่รู้ตัวนะไม่รู้ตัวอะไรสาคัญว่าตนพูดถูกอยู่ร่ำไปอย่างนี้นะดังนั้นแหละการฝึกผนจิตให้ตั้งมั่นนี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะเมื่อจิตตั้งมัน่นลงไปได้ดีแล้วจะพูดอะไรออกไปมันก็ต้องวินิจฉัยได้นะมันทวีณาได้ทันทีควรหรือไม่ควรอย่างนี้น ะ, ะมันก็รู้ได้ พอมันรู้ได้ว่ามันไม่ควรอย่างนี้มันก็งดเลยไม่พูดแล้วอถ้าเห็นว่าควรพูดออกไปดไ้มีประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอย่างเนี้พูดออกไปมันก็ได้ประโยชน์จริงอ่ะได้มันใคร่ควรก่อนแล้วเนี่ยจึงค่อยพูดออกไปเมื่อเป็นเช่นนี้นะอา น, นิสงส์แห่งคำพูดที่เราระมัดระวังพูดแต่ในทางที่เป็นประโยชน์ เกิดไปชาติใดก็มีวาจ า, าอันไพราะอ่อนหวานมีวาจาที่มีอนุภาพสามารถจูงใจให้ผู้ฟังนั้นได้ทำตามได้เรื่อมใส ย, ยินดีในคำพูดอันนั้นได้นี่อั น, นสงที่เราสำรวมวาจานะถ้าไม่สำรวมก็กลงกันข้ามเลยเกิดไปชาติใด จะพูดอะไรให้ใครฟังคนก็ไม่ค่อยจะเชื่อแม้จะพูดดีเขาก็ยังมองเห็นว่าเป็นชั่วไปเพราะบาปกรรมที่ตนทาในปัจจุบันเนี่ยมันไปอำนวยผลให้เป็นความจริงนะบางคนน ะ, ะพูดดีมันมีคนตำหนี่ตีเตียนก็มีอย่างนี้แหละทั้งที่ผู้นั้นพูดดีอยู่แต่คนฟังมันไม่ ชอบใจเสลงใจเลยถ้าผูใ้ใดปรากฏว่าเป็นอย่างนี้นะก็ให้นึกถึงกรรมเวรตัวเองไม่ต้องไปโกรธคนอื่นล้ออืเออนี่เราต้องเด็กมีกรรมเวรเราต้องพูดไม่ดีมาในชาติก่อนนั้นอย่างนี้นะเพราะเพราะอยนั้นมาชาตนี้เราพูดดียังไงเขาก็ไม่เชื่อไม่ทําตามหรื อ, อยังรังเกียจอีกซ้าก็ทําความเข้าใจกับตัวเองอย่างนี้แล้วก็สบายดี ไม่เดือดร้อนหรอกดังนั้นนะเมื่อพูดมาโดยลำดับนี้ก็จะเห็นได้ว่าการฝึกฝนจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญขนาดไหนเพราะว่าอะไรอะไรมันก็เกิดจากจิตใจนี่หมดเลยเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายมันก็เกิดจากใจนี่เหตุแห่งความสุขทั้งหลายมันก็เกิดจากใจดวงนี้เมื่อใจดวงนี้ มีความเข้าใจผิดเห็นผิดแล้วคิดอะไรมันก็คิดไปในทางผิดแหละเห็นอะไรก็เห็นไปในทางผิดเมื่อมันเห็นผิดมันก็ใช้กายวาจาทำผิดพูดผิดไปจากทานองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะถ้าใจตรงนี้มันเห็นถูกมันรู้ถูกแล้วอย่างนี้มันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูด แต่ในทางที่ถูกต้องตรงต่อศิลนต่อธรรมต่อคำสอนของพระพุทธเจ้า